พะเรามาอยู่ อ, อย่างนี้มันก็นึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าว่าให้ดูสุขเป็นอะไรเป็นทุกข์ให้ดูทุกข์เป็นเหมือนลูกสรนแล้วก็ให้ดูตอนที่มันไม่มันเฉยๆมันยังไม่สุขยังไม่ทุกข์ให้มันเป็นอนัตตามันเป็นความไม่เที่ยง ดูดูตอนที่สุขว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าความสุขมันไม่มีอยู่จริงกับสังขารร่างกายนี้ดูทุกข์โดยความเป็นลูกศรก็คือว่ามันเสียดแทงต่อขันนี้ตลอดเวลาทั้งส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนาม ว่าตั้งส่วนที่เป็นกายตั้งส่วนที่เป็นใจขันห้ารูปประขันจะถูกเสียดแทงตลอดเวลาทีนี้พอมันเป็นทุกข์ที่ถูกเสียดแทงอยู่เหมือนลูกสอนลูกสอ น, นี่รู้จักใช่ไหมเหมือนหนามไอ้เหลาเหล็กนีว่าเหมือนเหลาเหล็กที่เสียดแทงทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากายก่อขึ้นจากธาตุสี่ ได้ธาตุสีนี่มันพร่องอยู่เป็นนิดวันแรกที่บอกเรื่องสันดาบมันเกิดการเผาผลาญสูญเสียอยู่ตลอดเวลาและมันก็จะต้องมีกระบวนการในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าในการแปรปรวนอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าภาระฮาเวปัญจขันธาขันท์ทั้งห้าเนี่ยมันเป็นภาระ มันเป็นภาระที่เราจะต้องมาบริหารแต่ถ้าเราเข้าไปไม่ถึงความรู้ที่ว่าให้ดูสุขเป็นทุกข์ให้ดูทุกข์เป็นเหมือนลูกสรแล้วก็ให้ดูความที่มันยังไม่สุขไม่ทุกข์ว่ามันเป็นความไม่เที่ยงถ้าเราไม่มีความรู้นี้เนี่ยเราก็จะคอยประคองแล้วก็โต้เถียงกับตัวเราเองตลอดเวลา เราจะโต้เถียงกับตัวเราเองเพื่อที่จะให้สุขมันคงอยู่ตลอดไปแต่ทีนี้สุขมันเป็นของไม่จริงเข้าใจไหมมันมันเป็นชั่วคราวมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แค่ทำให้เราถูก อ, อกถูกใจแป๊บเดียวตั้งแต่เราเด็กๆเ ก, เกิดมาจากท้องแม่นอนอยู่ในคันแม่น่ะมันก็จมด้วยน้ำคล่าหองั้นอะ ลองลองคิดดูว่าถ้าเราถอยกลับไปอยู่ในในท้องของแม่เราอะ่ะเราอยู่ในสภาพแบบไหนให้ให้ตอนนี้ให้กลับไปนอนใหม่เอาไหม <c oughs> เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่กลับไปฮะเป็นทุกข์อันที่พระเจ้าว่าชาติปีทุกขาเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์มันไม่ใช่เกิด ไม่ใช่เป็นทุกความทุกข์ที่เกิดเนี่ยคือผู้ที่เกิดนั่นแหละคือตัวเราผู้เกิดเนี่ยอุบัติมาเป็นชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ mm. ก็คิดดูว่าจากหยดเล็กๆที่เรียกว่ากลละอยู่ในท้องแม่นะแล้วมันขั้นตอ น, นกลไกกระบวนการของที่เราเรียกว่าพัฒนาการน่ะ มันค่อยๆโตขึ้นมาทีละนิดทีละสัปดาห์สัปดาห์แต่ก็แตกมาเป็นปุ่มเป็นปัญจาสาขาหัวหนึ่งแขนสองขาสองใช่ไหมแล้วเรียกว่าปัญจาสาขาเรานึกภาพตัวนี้ท่นกลับไปตอนนั้นก็ได้เอาไม่ต้องไปเป็นหยดน้ํากลับไปตอนที่เป็นปัญจาสาขาก็พ อ, อจะกลับไปไหมให้กลับไปบเอาไหมไม่เอาทำไม เพราะกว่าพอเป็นปัญจสาขาแล้วเนี่ยไอ้ส่วนหัวมันยังไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากนะมันเป็นดุนดุนดุนดุนปัญจสาขาอยู่งั้นอ่ะไอ้แขนนี่ก็เป็นดุนดุนขานี่ก็เป็นดุนดุนเฉยเฉยส่วนตรงนี้ก็เป็นก้อนเนื้อเล็กๆมันยังไม่มีอะไรข้างในเลยเป็นแท่งเนื้อพูดง่ายๆเป็นแท่งเนื้อที่เป็น เป็นเป็นหัวเป็นแขนสองข้างแล้วก็เป็นดุ้นเท้านี่เขาเรียกว่าปัญจาสาขาในสัปดาห์ที่สามเอ้ในในสัปดาห์ที่สี่ทีนี้จากนั้นอะเรารูดด้นะเอออากนั้นแล้วก็ในรอบรบรอบรอบของปัญจาสาขารอบรอ บ, รอบไอ้แท่งเนื้อเนี้ยอันนี้กําลังพูดถึงสิ่งที่เป็นเราอยู่นี่นะในรอบรอบแท่งเนื้อนี่มันก็จะสี อมเลือดแดงเรื่อๆ อ, อมเลือดไอ้ผิวหนังอย่างเงี้ยมันยังยังไม่ยังไม่ชัดมันมันไม่เป็นเป็นแท่งเนื้อทีนี้ก็จะมีเมือกที่จะคอยหล่อลื่นหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงแล้วก็เมือกนี้ก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามตามตามความเจริญเติบโตของเรา เพืที่จะเรานึกภาพไปนี่นึกภาพไข่ไก่ไข่ไก่ข้างในเวลามันจะฟักตัวนะมันเป็นตัวอยู่ข้างในอะ่ะเห็นไหมเมือกมันก็จะต้องห่อเพื่อไม่ให้มันเกิดการแหง้งแห้งเมื่อไรก็เป็นไงตายแห้งเมื่อไรก็ตายมันต้องไม่แหง้งเออมันจะต้องมีธาตุน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่าเงี้ยหล่อเลี้ยงอย่างเงี้ยในระหว่างนั้นมันก็ค่อยคค่อยคสร้าง ร่วมกับอะไรตอนนี้ตอนนี้มันลงวิญญาณลงปฏิสนธิแล้วมันก็ร่วมกับกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจากไอตก้ตะกรอนตะกรอนของการเวียนว่ายตายเกิดตะกรอนของอะไรต่างๆที่มันเกิดจากรูปเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมานสิการที่ผ่านมาในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นแหละมันตกค้างอยู่ที่วิญญาณนั้นมันก็ร่วมกันช่วยกันสร้าง ในข้างในกลไกเหล่านี้มันก็กว่าจะมาเป็นตากว่ามาจะเป็นตาสองข้างเห็นไหมกว่ามันจะเป็นหูกว่ามันจะเป็นจมูกกว่ามันจะเป็นปากกว่ามันจะเกิดมาเป็นลิ้นกว่ามันจะเป็นนิ้วหอกออกมาแต่ละนิ้วแต่ละนิ้กว่ามันจะเป็นกระดูก เพื่อที่จะยึดขาโครงของร่างนี้กว่ามันจะเป็นสี่โครงกว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อกว่ามันจะเดีนี้เรียกว่าห้องเครื่องห้องเครื่องนะนี่ห้องเครื่องกว่ามันจะสร้างห้องเครื่องนี้ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นกว่ามันจะเป็นหัวใจกว่ามันจะเป็นหัวใจเสร็จแล้วกว่ามันจะเป็นตับ เป็นกว่ามันจะเป็นหัวใจกว่ามันจะเป็นปอดขึ้นมากว่าที่ว่ามันจะเป็นเส้นเลือดคอยเชื่อมไปยังส่วนต่างๆกว่ามันจะเป็นสมองมันสมองอ่กว่ามันจะเป็นตับกว่ามันจะเป็นม้ามนึกตามเลยนะนึกตามเลยนะดดูนะว่ามันลำบากครับกว่ามันจะเป็นม้ามกว่ามันจะเป็นไต กว่ามันจะเป็นอะไรต่างๆที่มันครบเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้กว่ามันจะเริ่มสตาร์ทอะ่ะมันเริ่มสตาร์ทด้วยการเต้นของอะไรของหัวใจในระหว่างที่มันกำลังทางานกาลังพัฒนาอยู่เนี่ยมันก็จะเจาะช่องท้องของของของแม่ใช่ไหยเพื่อที่จะเอาอะไรเอาเลือดของแม่เข้ามาหล่อเลี้ยง เรียกว่าธาตุธาตุดินไอ้ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสมบูรณ์ตอนที่มันเจาะเจาะท้องของแม่แล้วก็อาศัยน้อาศัยลมกับไฟจากแม่ก้ามาเลี้ยงทีนี้ในระหว่างนั้นอะ่ะมันก็สร้างไปเรื่อยพอครบพอหัวใจมันเริ่มเต้นพอหัวใจมันเริ่มเต้น เลือดมันก็เริ่มขับเคลื่อนเลือดมันก็เริ่มขับเคลื่อนเข้าไปหล่อเลี้ยงข้างในก่อนซ้อมก่อนเทศระบบเทศระบบและไอ้กลไกทั้งหมดเนี่ยลองคิดดูมันใช้เวลาในทั้งหมดเนี่ยมันแปดเดือนอแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนไอ้เดือนที่เก้ากับเดือนที่สิบถ้ามันอยู่ถึงเนี่ยอั น, นั่นคือว่า การทำงานมัน 90% แล้วเป็นการทำงานจริงแล้วทีนี้ในระหว่างนั้นอ่ะพอเรามีจมูกแล้วเ ด, ดูมันสร้างงานซ้อนขึ้นมามีจมูกเป็นรูปทรงอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะมันจะต้องสร้างคาเาเรียกคานาประสาทข้างในสำหรับที่จะรับกลิ่นสร้างประสาทข้างใน ตัวที่รับกลิ่นเรียกว่าคานรนารสารและไม่พอมันจะต้องสร้างเส้นประสาทขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเพื่อเชื่อมกับสมองสําหรับให้มันประมวลผลในตัวกลิ่นเนี่ยนั้นไอตัวคาร์นาบัสารตรงนี้จะต้องมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเรียกว่าเซลล์เซลล์จะต้องมีเป็นไม่รู้กี่ล้านนะออสาหรับที่จะ ทำหน้าที่ช่วยกันรับรู้ให้มันเกิดการเป็นเปลี่ยนคือตอนอยู่ในท้องแม่ว่ายากแล้วนะออกมามันมันยากกว่าเอาต้นอยู่ในท้องแม่ก่อนทีนี้ไอ้น้ําคร่ําที่มันห่ออยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันห่อแบบแบบธรรมดาเราเคยได้ยินเขาเรียกว่าถุงน้ําคร่ําแตกใช่ไหมนอ่น่ะทําไมมันจึงต้องเรียกว่าแตกเพราะลักษณะการห่อเนี่ยมันเหมือนกับ ในในชั้นนอกในชั้นนอกของน้ําคร่ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเนื้อเยื่อเยื่อบางๆสําหรับที่จะห่อไว้เพราะว่าและในระหว่างนั้นนะลองคิดดูในระหว่างนั้นซ า, ากเรียกว่าเรียกว่าซากท า, ทารกที่อยู่ในในกระดิคัน่ะในเนือชีวิตที่อยู่ในครันนั้นนะจมูกและปาก มันปิดอยู่ก็จริงแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาไอ้ไอตัวไอ้พวกน้าคร่าพวกอะไรมันก็จะเข้าไปอัดไปอั้นอยู่ในจมูกใช่ไหมแต่มันไม่เข้าข้างในหายใจได้ไหมไม่ได้ยังหายใจไม่ได้อาสวยแม่หายใจแล้วก็หัวใจก็ทำไเริ่มทำงานเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนให้เรากลับไปนอนตรงนั้นได้ไหมเอาไหมฮะไม่เอาเอาไห้ อาบอกแค่กลับไปนอนอย่างนั้นอีกเอาไหมมันไม่เอาเหตุอะไรที่ไม่เอาต้องดูแล้วมันทุกข์มากมันทุกข์มากทีนี้ในระหว่างนั้นมันก็จะหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยแล้วทีนี้มันอึดอัดมันก็เกิดอาการดิ่นเห็นไหม มันสร้างขึ้นมาถ้าตสีมันสร้างขึ้นมาแล้วมันอยู่ในนั้นแล้วมันอึดอัดแล้วพอมันโตแล้วนี่มันอึดอัดมันก็โกรธเอาการดินที่ดินไม่ใช่อะไรหรอกแม่นี่ยก็ดีใจนะแม่โอ้ยลูกฉันดิ้นแล้วลูกฉันดิ้นแล้วลูกฉันแข็งแรงแล้วแต่จริงๆริงไอเด็กตัวเราที่นอนอยู่กลางเนมันอึดอัดมันอึดอัดนะมันจะออกมาแล้วมันอึดอัดอันนี้คือทุกข์ไหมทุกข์นึกถึงสภาพทีนี้เขาจะเอาออกมาแล้ว อถ้ารุ่นรุ่นทางอัตมาอยู่ต่างจังหวัดนี่ไม่ได้โรงพยาบาลเลอกว่าที่มันจะออกมาได้นี่โอ้ยแม่นี่ร้องไม่รู้เท่าไหร่แต่การเกิดไม่ใช่ทุกขของแม่นะอไม่ใช่ทุกของแม่น ะ, ะทุ ก, นะทกชาติปีทุกขาดีคือทุกขของเราซึ่งเป็นผู้เกิดเองไอ้ทุกของแม่นูอีกอีกประการหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีการอธิบายกันผิดพลาดว่า ชาติที่ป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์หมายถึงทุกข์ของแม่ที่จะต้องเจ็บปวดกับการคลอดทุกข์ของพ่อที่จะต้องวิ่งหา น, าน้นาร้อน น, น้ํำนุ่นน้ํานี่คืออธิบายแบบนี้มันผิดไปจากความสมบูรณเจ้านะผิดไปจากความสมบูรณเจ้าความสมบูรณเจ้าความเกิดเป็นทุกข์หมายถึงทุกข์ของเราซึ่งเป็นผู้เกิดเองเราก็จะต้องเรียนตรงเนี้ยเรียนในการมีธาตุมีขันมีร่างกายเนี้ยให้เห็นความเป็นทุกข์ของมันให้ได้มันจะได้สัมผัสจริงๆว่า ชาติปีตทุกขาเป็นอย่างไรหรือพบกว่าจะคลอดออกมาเนี่ยพบ ว, ว่าเราเกิดออกมาเนี่ยอะไรมันมาก่อนน้าครํามันมาก่อนใช่ไหมถ้าถ้าน้ำครํา ม, มันไม่มาก่อนนี่เด็กออกไม่ได้ถุงน้ำคร่า ม, มันต้องแตกก่อนไอ้นัมันห่ออยู่แล้วเมื่อถุงน้ำครําแตกเด็กออกช้าไม่ได้เลยนะออกช้าไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วก็รีบเอาออกมาออกมาถึงเขาจะทำยังไง หายใจได้ยังยังหายใจไม่ได้นะเพราะจะมู ก, กับปากเนี่ยไอ้น้ําคล่ำนั่นเนี่ยมันจะอัดอยู่แต่มันไม่เข้าข้างในถ้าถ้าน้ำคร่ำนี้เข้าไปข้างในเด็กจะไม่สมบูรณ์แล้วน้นมันก็อัดอยู่ที่ปากออกมาถึงเขาทาไงฮะห้อยหัวใช่ไหมห้อยหัวจับขาห้อยไว้งี้จับขาห้อยไว้งี้เพื่อให้เด็กมีเสียงร้องทําไมมันต้งต้องมีเสียงร้อง ก็เพื่อให้น้ําคร่าที่มันอยู่ในจมูกในปากเนี่ยไหลออกมาไม่งั้นมันหายใจไม่ได้กระบวนการขาดออกซิเจนก็จะเกิดขึ้นถ้าถ้าไม่รีบเอาน้ําครําออกก็จับหัวห้อยอย่างเงี้ยห้อยแล้วมันยังไม่ร้องก็เอามือล้วงในปากลาเอาไปดูดไอเนี้ยไอแลูกยางอ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรไม่รู้เขาต้องเป็นลูกยางบีบเงี้ยบีบเพื่อดูดเอาน้ําคร่ำออกมาจากจมูกออกมาจากปากต้องห้อยอย่างงี้นะ แล้วบีบดูดบีบดูดเอ๊ะใครเป็นพยาบาลอยู่มั่งเนี่ยบีบดูดบีบดูดบีบดูดพอมันร้องอ่าเออเรียบร้อยหมดแล้วน้ำคำที่อัดอั้นอยู่นั่นแะเอที่มันร้องแล้วมันร้องแล้วที่บอกว่ามันหายใจออกก่อนเพราะงี้มันหายใจเข้าไม่ได้คลอดออกมาจากออกมาจากท้องแล้วเนี่ยมันหายใจเข้าไม่ได้มันต้องหายใจออกก่อนเพราะที่จะดันดันดันด ให้เรากลับไปเป็นแบบนั้นดีกว่าไหมนะไม่อาเอ้าแต่ทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยทีนี้สัอก็ได้รับการเลี้ยงดูนะมันก็เรียนดินดนที่ก็เรียนรู้เวลามันเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยจนถึงวันนี้ที่เราอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นนะมาจนถึงวันนี้เนี่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดี ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเรารู้สึกว่าเหมือนกำลัง จ, จะเจริญเติบโตอันนี้ไม่ได้พูดว่าให้ทุกคนเข็ดขยาดกับการที่จะมีลูก <c oughs> พูดอย่างนี้เดียวเว้ยแต่ว่าให้เห็นความเป็นจริงว่าพอพอเขามีวัฒนาการขึ้นมาจากความเป็นเด็กเป็นตารกขึ้นมาเป็นเลื่อยๆเราดูร่างกายเขาก็จะยืดละกระบวนการที่มันจะยืดเนี่ย มันต้องมีอะไรเข้าไปเป็นองค์ประกอบมั่งเช่นการกินอาหารกินอาหารเนี่ยเกี่ยวเข้าไป ก, กินกินเข้าไปไอ้ลิ้นน่ยมันให้รู้รสใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าถูกใจอร่อยอร่อยทั้งหลายแล่เนี่ยจริงๆเรื่องอร่อยหรือเมื่องไงอร่อยเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของประสาท แต่จริงๆแล้วไอ้ น, นี่คือกระบวนการที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอเราเคี้ยวกันไปเราเคี้ยวเคี้ยวเคียวเคี้ยวแล้วเรคกลื่นกันไปลงไปในกระเพาะกระเพาะไอ้กระเพาะเรานี่นะกระเพาะเรานี่มันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนบอ่อบำบัดน้ําเสียฮะ <c ười> <c ười> เหมือนบอ่อบำบัดเหมือนบอ่อเกิดดีวะ ลงไปถึงในกระเพาะเนี่ยมันก็ทำฟันเนี่ยย่อยไปในในระยะหนึ่งแล้วในระดับหนึ่งแล้วเคี้ยวเค้ยวเย ว, เ ย, ว, เ ย, วย่อยลงไปถึงในกระเพาะกระเพาะมันก็ทำหน้าที่อะไรอาศัยน้ำย่อยแล้วก็ย่อยย่อยย่อย่ยอยย่ย ย, ย, ย, ย, ยส่งไปในทางลำไส้ลำไส้ก็ย่อยต่อจริงๆไอ้ตัวที่ย่อยจริงๆอ่ะสำหรับที่จะดูดซึมไปเลี้ยงเนี่ยคือลำไส้นะ คือลำไส้นะไอกระเพาะนี่มันเป็นเหมือนบ่อพักบ่อพักนั่นเองแต่ว่าให้อทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการย่อยปรับความนุ่มความอะไรต่างๆผสมน้าน้าที่ผสมน้าย่อยแล้วก็น้าดีน้าย่อยน้าดีน้าดีนี่ก็ถุงน้าดีก็จะปล่อยน้าดีออกมาทางานแบบออโตเมติกด้วยการสั่งการจากสมอง ว่าอาหารที่ลงไปกันในขณะนี้เนี่ยจะต้องใช้น้ำย่อยประมาณไหนอะไรต่างๆเนี่ยระบบมันมันเทสมาเรียบร้อยแล้วผ่านคิวซีแล้วแล้วอาหารที่อยู่ในกระเพาะก่อนที่จะเดินทางมาที่ลำไส้เนี่ยสีมันจะเป็นสีแบบแบบน้ำดีผสมน้ำย่อยลวดเลื่อมๆคล้ายๆเรารู้จักถั่วพลูใช่ไหมถั่วพลูใช่ไหม เอาหลายๆอันตำตำตำตำตำตำตำตำตำตำตำตำตำแล้วขยําขยําขยําไอ้น้ำเขาเรียกว่าน้ําเยื่อถั่วพลูเป็นแบบนั้นน้ําเยื่อถั่วพลูเป็นสีตัวนั้นอ่ะแล้วก็เขาก็เดินทางมาที่ลําไส้ลําไส้ก็ทําคานย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าไปดูดซึมเข้าไปแล้วดูดซึมเฉพาะส่วนที่เป็นโอชะโอชะคือรสที่เป็นวิตามิน ที่เราเรียกกันว่าโปรตีนคราร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้นะผ่านเข้าไปส่งไปในผ่านไปทางระบบเลือดเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายในส่วนต่างๆแล้วส่วนที่เหลือเดินทางต่อเป็นอะไรเป็นกา ก, ากใช่ไหมเดินทางต่อไปๆๆถ้า ก, ากากละเอียดหน่อยหรือว่าไม่เเรียกอะไรเดี๋ยวนี้มัน ม, ไมีไม่มีไพเบอร์ไม่มีอะไรก็ไปก็ที่เกาะตามผนังลำไส้แล้วขวาง แปบเดียวมันก็เหมือนกับเนี่ยเราเอาไอ้ข้าวอ่ะข้าวที่เราหุงตักออกจากหม้อใส่ช้อนนะแล้วเราก็ผสมข้าวผสมเกงแล้วเราก็ตั้งไว้กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เริ่มบูดก็อันนี้ก็เหมือนกันข้าวไปถึงก็ตอนอยู่ที่ลิ้นโอยอร่อยเหลือเกินพอลงไปข้างในนี่น่ะแปบเดียวมันจะเกอกค้างอยู่ตามาหนังลําไส้ แล้วมันก็จะบูดมันบูดไหมมันบูดมันจะเน่าอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นระยะลําไส้เราเนี่ยที่มันม้วนเป็นกดกดกดกดกดอยู่มันไม่เก็บเหล่าเก็บเรื่องพวกนี้แล้วมันก็จะระบายออกอันนี้คือระบบปกติถ้าระบบมันไม่ปกติอ่ะมันระระบายไม่ค่อยออกใช่ไหม มันเน่ากันไหนมันก็เกิดเป็นแก๊สเป็นแก๊สขึ้นมาเรานี่คือสภาพที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันเรายังเรายังเอามันอยู่ไหมไม่เอาก็ต้องเอาใช่ไหมไม่เอาก็ต้องเอาใช่ไหมไอ้ที่ผ่านมาแล้วอ่ะให้เรากลับไปเอาไหมไม่เอาไอ้ตอนนี้เราเอาไหมไม่เอาก็ต้องเอาไม่เอาก็ต้องเอาใช่ไหม พระพุทธเจ้าว่าภาระหาเวปัญจขันตาขันทั้งหลายนี้เป็นภาระจริงๆเป็นภาระก็คือว่าเราจะต้องคอยดูแลบริหารขันนี้หน้าที่ของเราต้องประครับประหงประครับประคองคอยดูแลคอยเอาใจใส่มันชีวิตทั้งชีวิตอ่ะไม่ทำาไรหรอกมันดูแลขันนี่แหละเติมน้ำเติมดินเติมดินด้วยการกินข้าวกินโน่นกินนี่ ความสุขที่สุดเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้ามันได้ระบายได้ถ่ายได้อะไรก็มาก็รู้สึกว่าเอยดีมีความสุขจนกระทั่งเขาบัญญัติสับเรียกรองน้ำว่าอะไรฮะเขบัญญัติสับเรียกรองน้ำว่าอะไรสุขขาเพราะว่าถ้าได้ถ่ายแล้วแม่มันมันมันมีความสุขเหลือเกินแต่ถ้ามันไม่ได้ถ่ายนะอะไรดีๆในชีวิตเข้ามานี่ยังไงมันก็ไม่มีความสุขเอ ดูสิภาระของขันที่เรากำลังเป็นเราอยู่เนี่ยแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยจนเราถ้าเรายังช่วยเหลือตัวเราเองได้เราจะใช้เวลาทั้งหมดลงไปในการดูแลขันใช้เวลาทั้งหมดเลยลงไปในดูการดูแลขันแล้วมันไปวิ่งโน่นวิ่งนี่มีความสุขกับสิ่งโน้นสิ่งนี้นิดๆหน่อยๆของเที่ยวเวลาแต่จริงๆแล้วเรามีความเวลาทั้งหมดของเราเป็นภาระในการต้องมาดูแลขันของเรา ที่ชื่อว่าเราเนี่ยพอในที่สุดเราไม่สามารถดูแลมันได้ใครดูแลต่อใครดูแลต่อหมอเราดูแลแล้วเราทุกข์ไหดูแลนั้นมันทุกข์มากนะเอาทีนี้เราดูแลไม่ได้แล้วต้องให้ใครดูแลหมอหมอดูแลเราทุกข์ไหมทุกอีกโอหมอดูแลเราทุกอีก พอหมอดูแลไม่ได้ทํางไงทีนี้พอหมอดูแลไม่ได้หมอดูแลไม่ได้ทํางไงอ่ะทิงท้งทิ้งทิ้งไ อ, คองงไง้คนที่อยู่ข้างหลัง เ, งเงงนี่ยเขาทําไงคนที่อยู่ข้างหลังออกไปเผาออกไปฝังฉันนะท่านว่า โอ้กายไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกลายดุดฟองแห่งหน้าหมายที่แตกดับโดยฉับพลันสิ้นลมแหงหายใจชีพบรรเลยไม่กลับหันหอนมีสิ่งสำคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเดียวดูว่ามันมีอะไรที่เป็นสำคัญเพื่อการเป็นประโยชน์ของขันนี้ไหมนี่ว่าึูบูปขันนะ ทอดทิ้งดุดท่อนฟืนกลิ้งเหนือพื้นสุธาเทียวพองช้ำเน่าดำเขียวทรงกลิ่นฟุ้งไม่เว้นวางเพราะทิ้งแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนเอาไปเผาหรือไม่เอาไปทำอะไรกับมันนะทิ้งไว้เฉยๆนะแป๊บเดียวอนอะสามวันเอาวันหนึ่งก็แล้วกันแปดชั่วโมงนี่แข็งแะยืดแล้วใช่ไหมแข็งแล้ว พอเลยแปดชั่วโมงก็ไปธาตุมันจะแยกจากกาันจากการที่น้ํามื่ก็แยกไปอยู่กับน้ำํำกับดินก็แยกอยู่กับดินน้ํากับดินมันแยกกันแล้วเนี่ยน้ําก็จะทําหน้าที่ค่อยๆชํำแรกชํำแรกชํำแรกชํำแรกแสแส้ธาตุดินทวารทั้งเก้าตาหูจมูกทวารหนักทวารเบ า, า, เบาก็จะน้ํามันก็จะตรงไหนที่เป็นรูรูร่องร่อ ง, องช่องช่องมันก็จะแทรกตัวเองออกมา ทีนี้มันไม่พอไม่พอมันก็จะช่วงท้องนี่มันเยอะสุดใช่ไหมมันก็จะแหวกท้องนี่มันจะแหวกออกมาเนื้อดินที่ว่าแน่นแ่นหนาๆนาสวยๆวยนั่นน่ะไอ้พวกอะไรก็เรียกชิดแผกทั้งหลายเลยนี่ขี่หมาทั้งนั้นเลยถึงตัวนั้น <laughs> มันจะโดนย่อยยุ่ยสาลายไปหมดแล้วน้ำก็จะแหวกออกมาแล้วก็ สลายตัวเองไปเรื่อยๆจากจากผิวอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยคล้ำดำแล้วก็เละแล้วก็ค่อยๆแยกตัวออกมาสุดท้ายมันก็เหลือเป็นเสี้ยวกระเศษกระดูกเป็นโครงกระดูกกระดูกไม่นานมันก็จะค่อยย่อยย่อยยอยยอย ย, อยไปตามเหตุตามปัจจัยตามการเวลาในที่สุดหมด กี่ชีวิตกี่คนกี่ล้านแล้วที่มันเป็นแบบนี้แหละที่มันเป็นแบบนี้แหละไม่เว้นแม้แต่เราแล้วเราก็ออกมาดีดดิ้นอยู่ในโลกนี้กี่ปี <c oughs> แป๊บเดียวแป๊บเดีย ว, ยวไอ้จากหยดกลละเละจนกระทั่งไม่มีอะไรเนี่ยมันระเยะเวลามันแป๊บเดียวเอง เขาก็แบ่งไว้ช่วงปฐมมวัยมัดชิ ม, มาวัยปัจชิ ม, มาวัยนิดเดียวเองเพราะไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมหล่ะทีเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงอันนี้ส่วนของของรูปขันนะส่วนนามขันที่เป็นชีวิตเนี่ย เ, เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามขัน หรือตัวจิตตัวใจเนี่ยตัวที่มันจะมาลงปฏิสนธิอยู่ในชีวิตเนี่ยตัวเรียกว่าวิญญาณในวิญญาณนี่มันก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ด้วยมันก็รวมกันอยู่แต่ตะกอนทั้งหลายแหล่พวกบุญพวกบาปพวกกรรมพวกกุศลอกุศลพวกเชื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยไอเชื่องอกอะ่ะ มันจะอยู่ในตัววิญญาณเพราะนั้นในระหว่างนั้นเวทนาอ่ตัวผัสสะยังไม่เกิดมันก็นิ่งๆอยู่เขาเรียกเป็นภวังใช่มมันเป็นภวังเป็นผวังกับจิตพอมันเริ่มมีสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายสำหรับที่จะให้ไอ้ตัวตัวจิตนี้ไปเชื่อมต่อกันได้ เพื่อให้เกิดเป็นผัสสะพอมันเกิดเป็นผัสสะเวทนามันเกิดจากเกิดจากผัสสะสัญญาก็เกิดจากผัสสะสังขารก็เกิดจากผัสสะที น, นี้พอมันไปมีผัสสะขึ้นมาได้มันก็จะมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วเราก็จะไปหลงหลงกับดักในตัวไหนหลงกับดักในตัวของเวทนา กับดักของเวทนานี่เราจะเป็นหลงกับดักนี้แหละที่เราเรียกบอกว่าโอ้ยมันความสุขความสุขในการมีชีวิตทีความสุขความสุขความสุขเวทนาเท่านั้นเวทนาอย่างเดียวเลยหรือจะเวทนาอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่เอาทุกขเวทนาเราจะเอาแต่สุขเวทนาเราก็ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อหาสุขขเวทนาตานี่แหละ เพระพระพุทธเจ้าบอกภาระหาเวิบัญจักันฑาขันธ์ทั้งงานนี้มันเป็นภาระจริงๆมันเป็นภาระและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ดูเถิดดูสุขโดยความเป็นทุกข์คือสุขที่นี้ก็คือสุขกเวทนาดูสุขนี้โดยความเป็นทุกข์ เราจะดูยังไงให้มันเป็นทุกเราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้เหมือนอย่างที่พูดไอ้ควังโดยสังเขบเนี่ยพูดโดยสังเขบนะว่าเราจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอาสักอย่างเราไม่อยากได้เราไม่อยากเป็นอะไรสักอย่างตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยเพราะกลับไปทีไรมันก็ทุกกลับไปทีไมันก็ทุกกลับไปทีไมันก็ทุกมันเหลือส่วนที่เป็นสัญญาที่ เป็นเ ว, เวทนาแล้วก็เป็นสัญญาในบางว่วงบางตอนของเวลาเท่านั้นที่เราไปปรากฏอยู่ตรงนี้แลวเรารู้สึกอย่างนี้โอยดีเหลือเกินเคยไปอยู่ที่ไอแลนด์นะโอ้ยดีเหลือเกินช่วงเดียวเคยไปอยู่ญี่ปุ่นโอ้ยดีเหลือเกินช่วงเดียวเคยไปเที่ยวประเทศจีนโอ้ยดีเหลือเกินแต่ก็ช่วงเดียว มันอาศัยสัญญาแล้วก็มันอาศัยเวทนาแล้วก็มีสัญญารักษาไว้ทําให้รดแล้วไอ้ตรงนี้มันเยอะไงไอ้แต่ละช่วงแต่ละตอนของชีวิตมันอาศัยเวทนาและมีสัญญาจําเวทนานั้นไว้แล้วมันก็เป็นลูกโซ่อสอดคล้องเข้ามาทําให้เหมือนกับชีวิตนี้ดูดีแต่จริงๆแล้วมันเป็นอตีตารล์เป็นอดีตหมดเลย เป็นอดีตหมดเลยะความสัญญาที่เป็นอดีตเหล่านี้ไอเวทนาที่เป็นอดีตเหล่านี้มันก็เลยมาสร้างสร้างลูกโซ่ของจิตเป็นความปรารถนาสำหรับความสุขในส่วนของอนาคตอันพัฒนาการในโครงสร้างของสังคมก็เอาอาศัยพื้นฐานความต้องการทางจิตใจของเราอันมาจากเวทนาในอดีตที่เป็นสุขเวทนาซึ่งมันไม่มีแล้วมันหายไปแล้วนี่แหละ มาเป็นเป้าหมายแล้วก็สร้างลูกโซ่เชื่อมต่อไปในสุขเวทนาอันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เรียกเขาว่าอะไรเรียกเขาว่ า, าพัฒนาใช่เรียกว่าพัฒนาที่มันพยายามกันอยู่ทุกวันนี้เพื่อสุขเวทนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสุขเวทนานั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต จำไว้ด้วยสัญญาผ่านไปแล้วแล้วในปัจจุบันนี้ในขณะเรายัางอยู่เนี่ยไอความมีขันมีภาระขันห้าของเราเนี่ยที่เรากําลังมีอยู่เนี่ยมันก็ให้เราหาอะไรให้เราหาอะไรให้เราหาสุขเวทนาอีกใช้ขันเนี่ยหาสุขเวทนาอย่างเดียวพอพอมันตรงต่อพอได้สุขเวทนาเมื่อใดเมื่อ น, นั้นเราก็โอ้ยส บ, บายใจสะ บ, บายใจ แต่มันมีทุกขเวทนาเกิดพอทุกขเวทนาเกิดชีวิตเราไปไงไม่เอาแล้วโอ้เกิดหลายเรื่องเลยเกิดเพราะนั้นเวทนาสุขทุกขสลับปรับเปลี่ยนอยู่สเสมอและไม่มีสุขเวทนาตัวใดที่เกิดแล้วอยู่ตลอดการไม่มีพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้ดูสุขเป็นโดยความเป็นทุกขดูทุก เป็นเหมือนลูกสรที่มันเสียดแทงชีวิตแต่ไม่ใช่ให้เราเกิดความรังเกียจในร่างกายนี้แต่ให้เราเกิดความรู้สึกอะไรเห็นมันตามความเป็นจริงว่ากายนี้เป็นอย่างไรมันจึงจะคลายอุปท า, านคลายความยึดติดได้ไอตัวนี้วิธีคิดและกัมุมมองนี้มันจะเป็นตัวช่วยในการเจริญสติของเราอันนี้วิธีนี้มันจะตัวเป็นตัวช่วย เพราะว่าถ้าเราหลงเรียกว่าหลงผิดดีกว่าถ้าเราหลงผิดไปกับกายไปกับขันเนี่ยเราพัฒนาสติไม่ได้เรามพัฒนาสติไม่ได้เราก็จะมีสลับพัวกันอยู่กับสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์สุขกับทุกข์แล้วเราก็อยากจะหาสุขเราไม่อยากหาทุกข์เดี๋ยวกสุขกับทุกข์สุขกับทุกข์สุขกับทุกข์อยู่นั่นแหละเราก็จะติดอยู่อย่างนี้และวก็จนตายไปเกิดมาใหม่มันก็ เป็นนรอบเดิมตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นในรอบเดิมตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นนรอบเดิมเพรา ะ, ะนั้นการเข้าหาความจริงเรื่องนี้มันก็จะต้องกล้าต้องกล้าเปิดตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้มันแต่มันไม่มีใครมาสอนหรอกมีเดชพระพุทธเจ้าเะไรสอนพระพุทธเจ้าสอน อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่ออะไร เพื่อให้เราเรียนมีความรู้แล้วก็ตัดชีวิตตัวเองเข้าไปหาสัจจะคือหาความเป็นจริงเลยให้ดูชีวิตตัวเองโดยความเป็นอนิจจังดูชีวิตตัวเองโดยความเป็นทุกขังดูชีวิตตัวเองโดยความเป็นอนัตตาทีนี้ดูขันนี่นะขันดูโดยความเป็นอนิจจังก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปดังที่พูดให้ฟังเนี่ย ไปเรื่อยๆอเป็นอย่างไม่มีอะไรเป็นจริงเลยแล้วก็สมมุติชื่อตราไว้ชื่อนั้นก็มีอยู่ไม่นานหรอกแป๊บเดียวถ้าถ้ามันไม่หายไปนะโลกใบนี้ไม่มีที่ยืนแล้วมันเต็มไปด้วยชื่อหมดเ <us Process ing> ต็มไปด้วยชื่อหมดอันนี้อันนี้เรียกว่าดูเป็นอ น, นิจจังดูเป็นทุกขังทีนี้ทุกขังก็คือว่า มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมกว่าจะได้มาเป็นรูปในวันนี้เนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงจากความเป็นรูปเดิมๆมาเยอะมากจนรูปวันนี้และรูปณัขณะนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงมันจะทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนมันแตกสลายอันนี้ความเป็นทุกขงังความเป็นอนัตตาคือว่าอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะความเป็นอนาัตตาก็คือว่ามันไม่มีอัตตาอัตตาหมายความว่าตัวตนจริงๆอะเราหาตัวตนจริงๆได้ไหมเราหาตัวตนจริงได้ไหมหาไม่ได้ เพราะอะไรถึงหาไม่ได้เพราะมันไม่มีอัตตาเนี่ยอนัตตาเนี่ยคือมันไม่มีตัวตนจริงๆมันมีแป๊บเดียวที่ว่าไม่มีตัวตนจริงๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นใช่ไหมมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ตั้งอยู่มีความแ ป, ปรปวนปรากฏแล้วก็แตกสลายไปที่พูดจาว่าอุปาทะทิฏฐิแล้วก็ พังคะทีนี้ในระหว่างที่มันตั้งอยู่และมีความแปรปรวนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะก่อเชื้อหอกหลอกเราไม่รู้สกักกี่พบกี่แสนชาติหลอกเราไปเรื่อยเรื่อยรืยรืยว่าสวยคําว่ารวยคําว่าจนคําว่าขี้เรคําว่าหล่อคําว่าสามารถ คำว่าดีคำว่าไฮโซคำว่าสูงคำว่าต่ำคำว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ตรากันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามันหลอกให้เราหลงไปติดกับดักเรียกว่ากับดักของความหลงท่านหนึ่งบอกว่าโบหะสัมบันโนโลโกโพภะภะรู ป, ปวัดิสติเมื่อความหลงนี่เราไปติดกับดักของความหลงแล้วมันก็จะสร้างกาแพง สร้างกำแพงให้กับเราเรียกว่ากำแพงแห่งความหลงแล้วมันจะทำให้เรามองภพรูปวดิสติคือว่ามองทุกอย่างเป็นรูปเป็นอันเป็นชิ้นแเป็นรูปเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนไปหมดเออเวลามันเป็นรูปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการขนานนามจากความเชื่อของเราว่าไอ้นี่คือตัวเรา อันนั่นคือของเราของเราของเราของเรายเยอะแยะไปหมดอ่ะยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะมันเป็นกําแพงของความหลงที่เราหลงเข้าไปขัดแย้งกับความเป็นจริงเหล่านี้พระเจ้าว่าโบหะซัมบันโนโลโกพระพปุรุโปวดิสติโลกมีโบหะเป็นเครื่องหุ้มห่อผูกพันเป็นกําแพงทีนี้อุปติบั น, นโทบาโล โบหะที่มันหุ้มห่ออยู่เนี่ยมันจะทําให้เราไม่รู้เลยทีนี้ไม่รู้ในความเป็นจริงเรื่องเหล่านี้อุปธิบันฑโลบาโลความไม่รู้มันเลยไปสร้างอุปธิอุปธิก็คือว่าการเคลื่อนไหวกิริยาการเคลื่อนไหวในการกระทําของเราทุกๆ ก, กิริยาที่มันเคลื่อนไหวไปด้วยอํานาจของความหลงมันก็ยิ่งสร้างกําแพง อันแรกนี่เป็นโบหะนี่มันเป็นกำแพงเรียกว่าเป็นกำแพงชั้นหนึ่งอุปธิเรากระทําเข้าไปด้วยความเป็นอย่างนั้นเกิดการกระทําขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างกำแพงนั้นให้มันหนาขึ้นพอหนาขึ้นอ่ะอุปธิบันโทบาโลตะมมาาปริวาริโตมันเลยเหมือนกับถูกความมืดแวดล้อม ไม่เห็นแสงสว่างในเรื่องเหล่านี้ทุกอย่างมันจึงปรากฏว่าสติวิยญาคายติทุกอย่างมันจึงปรากฏว่าเ ท, ที่ยงเออมันปรากฏว่าเที่ยงแล้วมันที่เราว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยเราพูดด้วยคําพูดด้วยความรู้ที่เราฟังที่เราทําความเข้าใจแต่ความเชื่อของเราเราเชื่อว่ามันเที่ยง สติวิยาคายาติมันจึงปรากฏว่าเที่ยงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเรามีอะไรเราเห็นอะไรเราได้อะไรอะไรเราไม่เคยมองความไม่เที่ยงของมันเรามองแต่ความเที่ยงใช่ไหมเราไปเลือกแก้วมาสักใบสวยๆอย่างเงี้ยแก้วเนี่เราจะต้องเลือกที่มาถูกใจเราเบื้องลึกในการที่จะต้องเลือกสิ่งที่มันถูกใจเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะความเชื่อว่ามันเที่ยงซ่อนอยู่ข้างในนั้น พระพุทธเจ้าบอกสตตตีวิยญค่ายติมันจึงปรากฏว่าเที่ยงอยู่สเสมอแต่จริงๆแล้วมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงเพราะมันอะไรก็ตามที่เราเชื่อว่ามันเที่ยงอยู่สเสมอที่มันแตกทำลายแปรปลวนเปลี่ยนแปลงมันเลยสร้างทำให้เราเป็นไงทุกทุกหมดนะแล้ว ท่านเลยตัดเป็นประโยคสุดท้ายไว้ในในภาษิตนี้ว่าปัสตโตนติกินจนงังแต่ความทุกข์ความกังวลเหล่านี้มันจะลดและหายไปสำหรับผู้ที่ปัสตะคือเห็นเห็นความจริงนี้เห็นความจริงนี้ออหามายความว่าอะไรหมายความว่ามันยิ้มได้ในขณะที่ ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางของความไม่เที่ยงยิ้มได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางของความเป็นทุกข์ยิ้มได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางของความสลายจากความเป็นตัวตนอันนี้เป็นเป็นปัศสะตะซึ่งปัจสะตาตัวนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจโดยใช้สติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาอันเป็นพื้นฐานถ้าไม่เช่นนั้นนะเราก็จะหลงโลกไปต่อไปเรื่อย หลงโลกต่อไปเรื่อยๆมันภาระของขันเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องนํามาใช้คิดแล้วก็พิจารณานะโดยเฉพาะโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นโลกที่แต่ละฝ่ายเร่งระดม เ, เร่งระดมรุม เ, เร่งระดมสร้างเพื่อก่อชนวนให้มันเกิดความหลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ไม่มีเลยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีไม่มีศาสตร์ไหนแม้แต่ศาสนาเองไม่มีศาสตรไหนเลยที่จะพาผู้คนออกมาจากความหลงมีแต่จะทำให้มันหลงเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปหลงเข้าไปแม้ว่าทุกเท่าไรเท่าไรมันก็ยังหลงเข้าไปมันเหมือนมะเร็งเมาทีเนี้ย แมลงเม่าที่ว่ามันเห็นแสงไฟแล้วมันก็บินเข้าไปบินเข้าไปแล้วก็ปีกขาดปีกขาดบินไม่ได้มันเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปออกไฟไหม้ขาขาดเด้งออกมาแล้วมันเดินไม่ได้มันก็กลิง้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งเพื่อเข้าไปหาไฟนั่นอ่ะไอ้ น, นี่ก็เหมือนกันพอพอมันไม่มีไข่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นอ่ะแ้วเรามันโชคดีมาก โชคดีตรงไหนตรงที่ว่าเราเกิดมาในยุคที่ความรู้ของพระพุทธเจ้ามันยังอยู่ความรู้ของพระพุทธเจ้ายังอยู่และเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องเหล่านี้ได้ที่เราอยู่อย่างสงบในถามกลางความเป็นจริงนี้ได้ก็คือสติปัฏฐานก็คือการพัฒนาสติเรื่องเดียวเท่านั้นเพราะเพราะว่าในอดีตมันมีผู้ที่จะเข้าพย า, พ ย, ายามที่จะ ออกมาจากเรื่องเหล่านี้เหมือนกันแต่มันไม่มีใครทำได้พระพุทธเจ้าใช้เวลาเดินทางเพื่อที่จะฝึกฝนเรื่องนี้นานมากว่ากันว่าสียสงไขยกระแสนักลับแต่ว่าเฉพาะในชาติปัจจุบันในตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้แหละการที่ได้ออกบวชก็ไปเห็นความทุกข์อันมาจากความเกิดความทุกข์อันมาจากความแก่ความทุกข์อันมาจากความตายเอา้ามันไม่ใช่นี่ ที่เรามีความสุขอยู่ในวังดีอกดีนั่นดีเช้านี่ถุกจากการกินสุกจากการเจ็บสุขจากการอะไรต่างๆเนี่ยสุดหลอมันไม่มีอยู่จริงนี่หว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยไปเห็นคนแก่แล้วอ้าในเมื่อเราต้องแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่มันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตที่เป็นสัตว์เกิดไปเห็นคนเจ็บเอ้าไอ้ที่เราเราไม่มีโรคไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนี่หว่า มันเป็นเพียงแค่มายาภาพที่จะหลอกเราปกปิดความเป็นจริงไว้แต่แท้ที่จริงทุกชีวิตมันจะต้องเจ็บป่วยเห็นจะต้องมีความทุกข์อันเกิดจากความเจ็บป่วยนี่พอไปเห็นความตายอ้าวอาการมีชีวิตมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่ว่าแท้ที่จริงมันเป็นมายาปกปิดความเป็นจริงคือความตายไว้ในที่สุดทุกๆชีวิตที่เป็นสัตว์เกิดจะต้องมีความทุกข์อันเกิดจากความตายพอเห็นความจริงอย่างนี้เอ มันเหมือนกับเหมือนเราเดินเข้าไปแล้วเราเห็นดงน้าอะ่ะเห็นดงน้ำที่จะเดินเข้าไปเห็นดงน้าอะไม่ไปแล้วส่วนคนที่ไม่เห็นดงน้าเดินกันไป น, น, น, น้ําแทงแขนแทงขาแทงนุ่นแทงนี่มันมันมันยังมันแค่รู้สึกเจ็บแล้วก็ดึงน้าออกแต่มันก็ยังเดินต่อก็อยู่ในดงน้ำนั่นแหละแต่เท่าใจศีรษะไม่เอาแล้วต้องเดินออก หาทางยังไงก็ได้ต้องไงพ้นจากตรงนี้ก็ตัดสินใจไม่ไม่งั้นจะสละได้ยังไงพระนางพิมพาเนี่เป็นเบญจ ก, กัลยาณีพระราหุลอีกแล้วสมบัติเป็นทิพยรัตจะได้เป็นพระมหาจั ก, กรพรรดิอำนาจโอ้ยล้นโลกจะสละได้ยังไงถ้าไม่มองเห็นอย่างนี้ เหมือนเราจะกินของเนี่ยเรายกขึ้นมาเนี่ยว่ามันอร่อยแต่ที่จริงเรามองไปเห็นมันเป็นอุจจาระอาจมพอเห็นมันเป็นอุจาระอาจมเราจะกินไหมฮะไม่กินก็มันต้องว่างเพราะฉะนั้นมุมมองหรือความรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่พิจารณาไปเห็นความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความทุกข์อันเกิดา่างความเจ็บป่วยความทุกข์อันจะเกิดวาอันเกิดจากความตายเนี่ย มันลุกลนเผาลนมาทำให้เจ้าใจศีลมองแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วมันจึงละไดหวางได้เดิอนออกมาได้น่าเหมือนกันในทางปฏิบัติก็เหมือนกันเวลาเราจะเริญนอาณาปานสติหรือเราจะเริญนสติพัฒนาทางสายทางสติปัฐานเนี่ยพอเราพิจารณาไปนิพิจารณาไปอย่างอาณาขันที่ หลังจากมันเปลืองจิตแล้วไปจนถึงสี่ข้อสุดท้ายตั้งแต่เริ่มความจางคลายวิราคานุปัสสีไอ้จางคลายไม่ใช่อะไรหรอกจางคลายก็คือการเห็นความจริงที่มันความวิราคานะมันการเห็นความจริงที่มันจางคลายจากสิ่งที่เราไป ไปรักไปยึดไปหลงมันเนี่ยเราเห็นความจางคลายมันเป็นความจางคลายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งจากการไปเห็นความจริงอย่างนี้อนิจจานุปัสสีก็คือการตามดูความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแต่เดิมนี่อย่างนี้เราเรานั่งอยู่อย่างนี้เราก็ดูความไม่เที่ยงได้เราตามดูได้แต่อนิจจานุปัสสีคือว่าการจิตมันจะตามดูความไม่เที่ยงอยู่จนเป็นปกติ เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นปกติเรื่องเรื่องราในชีวิตของเราปัญหาในชีวิตของเราทุกเรื่องมันหายไปเยอะหายไปเทบจะหมดเลยถ้ามองอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็ไม่เที่ยงมองลูกก็ไม่เที่ยงมองสามีก็ไม่เที่ยงมองรถก็ไม่เที่ยงงานก็ไม่เที่ยงลูกน้องก็ไม่เที่ยงบ้านก็ไม่เที่ยงใช่ไหมจนกระทั่งเนื้อตัวก็ไม่เที่ยงถ้าดูความไม่เที่ยงจนมันเป็นปกติได้ปัญหามันก็หมดเยอะ ถึงมันจะต้องอาศัยกําลังของสติปัญญาความรู้มีกําลังมากทีกนี้อ น, นิจจานุปัสสีเสร็จแล้วนิโรธานุปัสสีตามพิจารณาเห็นความดับเป็นปกติไอ้ความดับที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราดูความดับเนี่ยแล้วการเห็นความดับเหล่านั้นเป็นปกติเห็นอะไรมันก็ดับเห็นอะไรมันก็ดับเห็นอะไรมันก็ดับเห็นอะไรอีกมันก็ดับ ไอ้ความเป็นเป็นตัวตนมันจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นแล้สุดท้ายปฏินิสคานุปสัสสีมันก็เกิดการสลัดคืนเป็นปกติอันนี้เป็นเรื่องการพัฒนาตัวสติปัญญาที่ให้มีกำลังแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่เราจะต้องทำความเข้าใจเรียนรู้ในเรื่องราวของขันวันก่อนที่เคยบอกว่าเราจะต้องรู้ชีวิตของเราโดยความเป็นขัน ให้ได้แยกออกมาถ้าเราดูโดยความเป็นขันแล้วให้เรียนรู้ความเป็นจริงของขันนั้นว่าภาราหาเวปันจักขันธาขันทั้งหลายเป็นภาระจริงๆภาราหาโรจปุกาโลแต่บุคคลก็ยังยึดถือซึ่งภาระไว้ภาราดานังดุกังโลเกเ ท, ทจริง การยึดถือขันดั ง, งาเป็นทุกข์ภาระอะไรภาระห้าโรจปุกกโลแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้<ม>การเรียนรู้เรื่องของขันห้ามันก็คือการเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องของชีวิตมันมีเรื่องพูดเยอะมันมเรื่องพูดเยอะแล้วแต่เราแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้แล้วมองให้เกิดความรู้นั้นสามารถที่จะ เห็นความเป็นจริงได้มันต้องมองอย่างนั้นอันนี้ก็ความรู้อย่างนี้มันจะเป็นตัวช่วยทำให้เราอยู่เข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจเป้าหมายของพุทธศาสนาเข้าใจหัวใจของพุทธศาสนาได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้เราก็เรียกว่ารรมานุษ ปฏิปต like ินั่นคือว่าเราจะจัดสรรธรรมะให้มันเหมาะกับตัวเราเองไม่ได้เราจะจัดสรรธรรมะให้มันเหมาะกับตัวเราเองไม่ได้เราก็จะหลงจัดสรรธรรมะให้มันเหมาะกับกิเลสของเราใช่ไหมเออถ้าเราไม่รู้เรื่องของกันหน้าตามความเป็นจริงเราก็จะไปจัดสรรธรรมะให้มันเหมาะกับกิเลสของเราเอ่ อย่างอย่างเราเป็นคนรวย เ, ออเราจะต้องไปจัดสรรหาธรรมะให้มันเหมาะกับกิบกเลสของเราว่าทำยังไงนะให้กูได้รวยต่อทํำยังไงเราก็เกิดมาเราก็ยังรวยอย่างนี้อีกก็ดูลงศพที่เขาขุดมาในโบราณโบราณเห็นไหมลงศพโบราณอ่ะที่เขาขุดโอ้ยไอคนตายเนาะไม่ได้รวยหรอกคนรวยก็คือไอพวกไปขุดเจอ หรือจินซีกองทัพของแกเนี่ยอ น, นี้มันมาวิธีคิดทําอย่างไรเราจึงจะต้องยิ่งใหญ่อยู่อย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็ต้องขวังกองทัพม า, าน้องนี้ทรัพย์สินเงินทองของเราที่มีอยู่เราก็มันเกิดความหลงด้วยอำนาจของความเข้าใจผิดหมดเลยนั้นเราจะต้องมีความรู้อย่างนี้ เราจะได้จัดสรรธรรมะพระเจ้าเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิคือประพฤติธรรมอันสมควรแก่ธรรมคือว่าจัดธรรมะให้มันถูกในทางที่มันเป็นธรรมะไม่ใช่จัดธรรมะให้มันถูกในทางของกิเลส ข, ของเราถ้าจัดธรรมะให้มันถูกในทางกิเลส ข, ของเรามันง่ายไอ้กิเลส ข, ของเราเนี่ยมันชอบอะไรเราก็จัดอันนั้นให้มันกิเลส ข, ของเรามันชอบอะไรมันก็จัดอันนั้นให้มัน เดีย๋ยนี้บางสำนักปฏิบัติไหมเนาะเขาท่านก็ไม่ค่อยนะเอาใจคนปฏิบัติเอาใจคนปฏิบัติก็ให้นะกินรู้อยู่สบาย <c oughs> เอาเ้าจริงพอกินรู้อยู่สบายคนมันก็ชอบไปสิอา่าแล้ะเขาก็ชอบไปเลยมีแต่คนมีตังค์งั้นนะ่ะพอไปกินรู้อยู่สบายแล้วก็ที่ทําบุญก็ให้แบบ แค่เอาเงินมาทำแล้วก็สบายแล้วแล้วก็สร้างทิพปรวิมานขึ้นมาเนี่ยเ อ, อี๋ยวนี้มีเยอะนะมีเยอะบางพระมาบวชก็เหมือนกันถ้าใครเข้ามาบวชเสร็จแล้วที่วัดก็จัดอุให้กินหรูอยู่สบายเดี๋ยวไอ้พวกนี้ศึกแล้วไม่เข้าวัด จริงจริงถ้าถาถาวัดไหนคนมาบวชแล้วเลี้ยงดูพระเนี่ยให้กินหรู อ, อยู่สบายไอ้พระพวกนี้สืบเสร็จมันไม่เข้าวัดเพราะไอ้กินหรู อ, อยู่สบายมันไม่ต้องมากินในวัดมันอยู่บ้านมันกินสบายกว่าถูกว่าเออแต่มันมาในวัดแล้ววัดยังพยายามหาให้มันกินหรู อ, อยู่สบายมันไม่มาแล้ววัน ไม่มาแล้วไม่เข้าวัดหรอกฉั้นคนที่บวชแล้วไปถึงกินรู้อยู่สบายมไม่กลับวัดอ่ะมันไปอยู่ที่อื่นนี่หวังนี้ไอ้แต่คนปฏิบัติเนี่ยพอพอบอกสำนักปฏิบัติจัดให้ ม, มีการกินรู้อยู่สบายชอบคนมีตังค์มันชอบเพราะมันไม่ชอบความลําบากมันไม่ชอบความเป็นจริงไม่ชอบความลําบากหลายที่นะหลายที่หลายสำนักที่ท่านจัดอย่างนั้น มันก็เลยไม่เจอกับความเป็นจริงเรามักจะจัดสรรธรรมะให้มันถูกกับกิเลสของเรามันจึงไม่เป็นธรมนธ ร, มธรมานุธรรมปฏิปติธรรมานุธรรมปฏิปตินั้นเราจะพอเราเรียนรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะได้จัดสรรธรรมะให้มันถูกให้มันถูกให้มันถูกกับความเป็นจริงเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าความรู้ของพระเจ้าเนี่ย สอนไว้เหมาะกับทุกคนเราตัวนี้นั่งที่นี่ไม่มีใครเสียโอกาสหรืออาภัพในเรื่องของธรรมะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เหมาะกับทุกคนเหมาะกันหมดเลยแต่ให้เริ่มต้นที่สติปัญญาสติสัมปชัญญะเมื่อสติธรรญะถูกสร้างขึ้นแล้วจิตผู้รู้ถูกสร้างขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะจัดสรรธรรมะเข้ามาได้หมดตัวรู้ ที่ถูกฝึกฝนอบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันใช้ไปนในทางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ เ, เรียกว่าเบตตากรุณาตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความเข้าใจอะไรแล้วเวลามาไปทำงานทําการมันเป็นความขยันอดทนเขาก็เรียกว่าขันติมันเป็นเขาเรียกพระหูอุปการธรรมมันเป็นตัวที่จะเข้าไปอุปการะตัวรู้ที่สึงที่สุดเราเรียกว่าสัมมาญาณ สมัมมญาณตัวนี้จะมีองค์ประกอบ8ประการองค์ประกอบของมันก็คือว่ามันจะมีความคิดที่ถูกต้องมันจะมีความเห็นที่ถูกต้องมันจะใช้คำพูดคำจาที่ถูกต้องจะประกอบการกระทำที่ถูกต้องแต่ทำงานเลี้ยงชีพยึดก็จะถูกต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องความสำนึกระลึก รู้นี่ก็จะถูกต้องความตั้งใจก็จะถูกต้องทีนี้ใครก็ตามที่มีความถูกต้องที่กล่าวมาเนี่ยก็คือต้องในลำดับในกำลังของความถูกต้องนี้มันเกิดพร้อมกันตามกำลังของจิตผู้รู้ตัวหนึ่งที่จะเด้งออกไปเลยคือตัวสักสักยะทิฏฐิ คือความหลงความเห็นกายนี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะเด้งออกไปก่อนมาหลอกไม่ได้แล้วตัวต่อมาความสงสัยในสัจจะจะเด้งออกไปอีกคือมันจะยืนอยู่กับสัจจะมันจะไม่ยืนอยู่กับความหลงความชอบยืนอยู่ในกับความเป็นจริงแล้วงั้นตัววิจิกิจฉาก็จะเด้งออกไปทีนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติทั้งหลายแหละที่ที่ไม่เข้าได้คือว่าที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารมันก็จะเขียวออกไปไอตัวสีแัะพาตรปรมาศก็จะถูกเด้งออกไปไอกำลังกลังนี้พอขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันหยุดกระแสในการที่จะสร้างกำแพงแห่งความหลงโดยสิ้นเชิงตันที แม้ว่ามันยังมีความหลงอยู่แต่การพอกพูนความหลงที่จะทำให้เราหลงผิดลงไปในนั้นมันหยุดแล้วจากแต่ก่อนเป็นก็เรียกอนุโสตคามีคือคือตามกระแสไปเรื่อยตามกระแสไปเรื่อยตอนนี้จิตผู้รู้มีกำลังขึ้นมาอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นปฏิโสตคามีมันจะหยุดการตามกระแสและก็จะเริ่มทวนกระแสของมัน ตามธรรมชาติก็มั น, มนก็ทวนขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นช้านี้จะพูดเรื่องของขันนะพูดเรื่องของขันมันเป็นเรื่องสำคัญมากและสิ่งที่เราจะต้องทำมันลงไปนอกจากการพิจารณาสิ่งที่เป็นสุขโดยความเป็นทุกข์พิจารณาทุกข์โดยความเป็นลูกศรและพิจารณาโดย โดยสิ่งซึ่งมันไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันยังเฉยๆอยู่ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะต้องเจริญอาการ32ที่เคยรู้แล้วใช่ไหมอาการ32แล้วก็เจริญอาสุภะกรรมาฐานเพื่อที่จะประคับประคองไว้ไม่ให้ใจเรามันหลุดออกไปอยู่ในกำแพงของความหลง ทนี้ในทางปฏิบัติมันมีบางท่านที่ท่านปฏิบัติแล้วเราก็ลองทํำดูเออมันก็ดีเหมือนวิธีคิดอย่างเงี้ยวิธีคิดอย่างเงี้ยใช้อานาปานาสติคือรู้ลมหายใจไปสักระยะหนึ่งพอ ร, รู้ลมหายใจไปสักระยะหนึ่งพอจิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็มาทําพิจารณาเรื่องนี้เสร็จแล้วก็เราก็ทําอานา ทำอานาเสร็จพอมันมีความโศกเกิดขึ้นเราก็ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็น้อมก็ไปสู่ชีวิตของเราทำอาณารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าพอได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ขวางเรื่องเหล่านี้แล้วก็พิจารณาคือถ้าใช้กำลังของสมาธิไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ มันจะได้อารมณ์กว่า <c ười> มันได้ผลกว่าได้ผลกว่าง่วงไปนั่งควังไปหิวไปนั่งควังไปนนัแต่ง่วงไปนั่งควังไปหิวไปนั่งควังไปเมื่อไปนั่งควังไปนี่มันมันจะได้น้อยนะถ้าเราหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจนจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบ แล้วก็มาพิจารณาใหม่มันก็จะได้กว่าจะได้กว่าไหมครับได้กว่า ไ, ได้กว่าแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดนี้เพื่อให้เราอย่าลืมเรื่องนี้นะลืมเรื่องนี้เดี๋ยเสียท่าหมดเลยอลยเสียหายเลยนะเพราะอีกแป๊บปเดียวเดี๋ยวเราก็แก่ตายแล้วแต่เราลืมเรื่องของการเรียนรู้เรื่องขันห้าตามความเป็นจริงที่ว่านี้เราจะพลาดโอกาสใหญ่โตเลย ความความเป็นอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราเป็นอยู่มันเป็นแป๊บเดียวออมันเป็นแป๊บเดียวสุดท้ายแล้วมันเปลี่ยนไปหมดกด็ดูที่ชีวิตเราตอนนี้แแปบ๊แป บ, ป บ, ป บ, ป บ, ปบเปลี่ยนมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะออมันแป๊บเดียวเพรา ะ, ะนั้นถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้พระพุทเจ้าบอกชีวิตอัตภาพร่างกายสุขทุกข์ทั้งปวงขึ้นอยู่กับขณะของจิตนี้ พอเรามีความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับขณะจิตที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่โหมดของสัจจะมองมันไปได้อะไรเกิดขึ้นก็แทนที่เราจะต้องไปหนักไปสัก80พอเรามองเรื่องอย่างนี้มันอาจจะกระทบสัก20ลดไปได้60ใช่ไหมถ้ามันพอกระทบมาทิง้งเราก็ถ้าเรามีมุมมองเรื่องของอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะบัญฑร พนาลงไปได้เยอะและที่สำคัญมันเอื้ออุปการะต่อการเจริญสติต่อการปฏิบัติของเราไอ้เจริญสติหรือการปฏิบัติในการทาสมาธิไม่ว่าจะแขนงไหนสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือปริพเคือความกังวลและก็นิวรที่มันเกิดขึ้นจากการมีกายนี่แหละจากการมีการมีกาย เวลามันมีมนเราไม่รู้จักเรื่องขันมีกายแล้วมันนอกจากมีกายแล้วมันมีอะไรมันมีชื่อมันมีฐานะมันมีอะไรต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของกายแล้วทําให้เราต้องไปชุนระมุนวุ่นวายอยู่กับอยู่กับกายที่เยอะมากแต่พอเรียนรู้เรื่องขันตามความเป็นจริงอย่างนี้มันตัดบริีพูดไปได้เยอะพอพอนั่งสมาธิพอนั่งปั๊บนี่จารสติปับ๊บมันก็สามารถที่จะใส่เข้าไป การนี้มันแค่รูปนามนั้นชื่อก็ไม่มีชื่อก็ใส่มาทีหลังใช่ปะ่ะมันก็แค่รูปนามนั่งรูปนามซ้อนมือรูปนามตั้งตัวตรงรูปนามตั้งตัวรตร ง, งรูปนามดารงสติอยู่เฉพาะหน้ารูปนามาหายใจออกอย่างมีสติรูปนามหายใจเข้าอย่างมีสติมันมันเรื่องเยอะกว่านะ แต่ถ้าวรู้เรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่มันเป็นเพียงแค่รูปนามรูปนามที่ตั้งอยู่เนี้ยนี่ก็รูปนามนี่ก็รูปนามนี่ก็รูปนามนี่ก็รูปนามนี่ก็รูปนามไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีรวยไม่มีจนใช่ไหมมันก็มีแค่รูปนามที่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้รูปนามนี้กําลังหายใจเ <ใจ S 2> ข้าอย่างมีสติรูปนามนี้กําลังหายใจออกอย่างมีสติโอ้ยมันง่ายกว่ากันเยอะบันง่ายกว่ากันเยอะ อาว